ผทมหรือบันทมเป็นราชาศัพท์แปลว่านอนผ้ากาสายะผ้าย้อมฝาดผ้าเหลืองพระผ้าวสิกะสาดกผ้าอาบน้ำฝนระเดียงสงประกาศให้สงทราบการบอกให้สงรู้ล่วงหน้า พลดหรือวัดคือกิจวัตรข้อปฏิบัติมารยาทความประพฤติเขตแห่งความประพฤติธรรมเนียมประเพณีการสมาทานหรือประพฤติตามลัทธิศาสนาพรมอาจารย์ประพฤติดังพรมประพฤติประเสริฐจริยะอันประเสริฐการครองชีวิตประเสริฐตามที่เข้าใจกันทั่วไป หมายถึงความประพฤติเว้นเมถุนหรือการครองชีวิตดังเช่นการบวชที่เล่าเว้นเมถุนแต่แท้จริงนั้นพรหมจรรย์คือพรหมจริยะเป็นหลักการใหญ่ที่ใช้ในแง่ความหมายมากลายดังที่อธิกราแห่งหนึ่งประมวลไว้สิบนยัยยะคือหมายถึงทานวั ย, ยาวัจจการขนขวายช่วยเหลือรับใช้ทำประโยชน์เบญจศีลคือศีลห้าอปมัญญาสี่ คือพรมวิหารสี่เมทุนวิรัตการเว้นเมทุนสัทธารสันโดษความพอใจเฉพาะภรรยาหรือคู่ครองของตนความเพียรการรักษาอุโบสถอริยมรรคและพระศาสนาอันรวมไตรสิกขาทั้งหมดเฉพาะอย่างยิ่งความหมายสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักคือสองในยะสุดท้ายได้แก่อริยมรรคและพระศาสนา ในศาสนาพราหมณ์โรมจันหมายถึงการครองชีวิตเว้นเมถุนและประพฤติปฏิบัติตนเคร่งครัดต่างๆที่จะควบคุมตนให้มุ่งมั่นในการศึกษาได้เต็มที่โดยเฉพาะในการเรียนพระเวทโดยในยะหมายถึงการศึกษาพระเวทและหมายถึงช่วงเวลาหรือขั้นตอนของชีวิตที่พึงอุทิศเพื่อการศึกษาอย่างนั้นพระคันธารจนาจาั์ พระอาจารย์ผู้แต่งคาพีตำราทางศาสนาพระธรรมสังคาหากาจาย์พระอาจารย์ผู้รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประยมเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจำยมโลกหรือโลกของคนตายพระวินยัยส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกเรียกว่าวินัยปิฎก สิกขาบทของพระสงฆ์พระสูตรส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกเรียกว่าสุตตันตปิฎกข้อความคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารบถึงเหตุการสถานที่บุคคลซึ่งรวบรวมร้อยกรองไว้เป็นเรื่องๆพระอัฏฐกะถาจารย์ อาจารย์ผู้แต่งคำอธิบายบาลีพลอยอินที่มีเนื้อใสมีสีต่างๆใช้ทําเป็นเครื่องประดับมีหัวแหวนเป็นต้นพะลักษณ์ตนเองคือกำลังของตนเองอำเภอใจตนเองพอกคือโบกโปกให้หนาะ พยักพยเยิดในที่นี้ได้แก่การรับที่ไม่รัดกุมหรือวิธีเดิมพันทางกระเทยหรือบันดอกภาคในที่นี้สะกดด้วยพอผพานสระอาะกอก่ายยอยักกรรัหมายถึงคำพูดพิกัดแปลว่ากำหนด พีชคามพืชพันธ์อันเกิดจากเงาหนึ่งต้นหนึ่งข้อหนึ่งยอดหนึ่งมเมล็ดหนึ่งอันถูกพรากจากที่แล้วแต่ยังจะปลูกให้งอกต่อไปอีกได้พุทธบัญญัติข้อบังคับของพระพุทธเจ้าข้อที่พระพุทธเจ้าทรงตราแต่งตั้งพุทธานา อำนาจการปกครองของพระพุทธเจ้าบทปัญญตัตของพระพุทธเจ้าพูดเคาะคือพูดเกี้ยวหญิงแพยสยาคือหญิงหากินทางกามหรือโซเพณีโพธิปัจิยธรรมทมอันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้หรือธรรมที่เกื้อหนุน แกอริยมรรคมีสติประธาน 4, สัมสมัตประธานสอิทธิบาทสีอิน 5, รียห้าะละห้าโพชงเจและมรรคมีองค์8รวมทั้งหมดเป็น37ประการโพนธนาคือกล่าวโทษติเตียนพูดกล่าวโทษท่านตอนหน้าผู้อื่นประจานความชั่วของคนอื่น ที่นอนยัดด้วยวัตถุที่เป็นกัปปิยะคือสิ่งที่สมควรสำหรับพระ